อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทุกเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าถึ ง, งตีห้าค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีะรายการธรรมะดีๆซึ่งชื่อเข้ากับเหตุการณ์นะคะก็คือรายการธรรมรับอรุณ เป็นรายการแรกของทางสถานีที่จะเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อที่จะได้พบทางที่จะเป็นสุขอยู่ได้เพราะว่าเราเดินตามเส้นทางที่องค์พระสั ม, มาสามพุทธเจ้าได้ส่งจัดสรุปชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็ได้ส่งสั่งสอนอทิ้งไว้เป็นเหมือนสมบัติของโลกได้มาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ 2,600 ปีที่เรามี เรียกว่าเป็นปีพุทธชยันต์ีก็คื อ, อเป็นที่ระลึก2600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพบกันในเช้าวันนี้จะเป็นเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ําเดือนเจนปีมะโรงนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะจะนำท่านผู้ฟังมาสาธาชาราหรือสนทรธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนค่ะท่านเป็นพระอาจารย์ ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นปิดวาจาตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะวัดนี้ก็มีประเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทีิโตภาโซหรือท่านพระค ร, ะรูศรีธิประภกรเป็นท่านเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโพร้อมกันเลยนะคะ กลับนมสักการเจ้าข้าพระเจ้าขาเชิญปอนสาธุเจ้าค่ะสำหรับการพูดคุยของเราในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายนนะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอนําเรื่องที่ในรายละเอียดเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเราได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นแก่นคําสอนของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็หรือว่า เพราะมีเหตุนี้จึงได้มีอย่างนี้เกิดขึ้นตามที่พูดองค์สอนนะเจ้าคะาในอาทิตย์ที่แล้วเราได้พูดคุยไว้ในประมาณสองสามประเด็นอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทบทวนนิดนึง<ม>แล้วเราก็พูดคุยกันต่อเลยเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ถ่านผู้ฟังจะต้องอาจจะอย่าไปเพิ่งสงสัยว่ามันชื่ออะไรมันแปลว่าอะไรแต่เป็นเรื่องที่สาคัญมากเอาไว้ก่อนนะคือ แปลถ้าจะแปลตรงๆ น, นะก็คือทำที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอันนี้ที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วะนะแล้วก็เรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นแก่นคําสอนเนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคย เ, เคยตอนนี้ตอนนั้นที่ตรัสรู้แล้วนะแล้วก็นั่งอยู่ที่ใต้ต้นไทรนะอนเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะนะตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เทศสอนอะไรก็ใครควรซึ่งปฏิจจสมุปาทนี้เหมือนกันะนะว่าจะสอนธรรมะอะไร ก็พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เหมือนการนะแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจริงๆถ้าพูดกันให้ตรงตัวก็คือว่าหลักความเป็นเหตุเป็นผลพรนะนเรนก์พระพุทธเจ้ายังบอกไปชัดเจนว่าถึงแม้ว่าจะมีจะมีเรามาเกิดหรือไม่ก็ตามนะจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่เนี่ยกฎนี้ก็ยังเป็นกฎตายตัวอยู่ดีนะถึงแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาบัญญัติมาอธิบายให้ฟังหรือไม่ไกฎนี้ก็มีอยู่แล้วนะแล้วก็ตั้งอยู่อย่างธรรมดาพรนะพุทธเจ้าใช้คําว่าธรรมติตา นะธรรมะติตตาคือตั้งอยู่อย่างธรรมดาแล้วก็ <Okay. S 1> เป็นกฎตายตัวนะคือธรรมนิยามตาแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างอื่นนะเป็นตาตาต า, ตานะไม่มีความเป็นไปอย่างอื่นก็ตา <Okay. S 1> นามมี้เพราะนั้นก็คือเป็นอย่างนี้แน่นอนนะว่าอะไรว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นอย่างสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นนะน<า>เพราะาอะไระมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดนี่คือหลักการนะบุญใจนี้สาคัญมาก ว่าความทุกข์ที่เรามีเนี่ยมันมีมาจากอะไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเราถามคําถามนี้อยู่ตลอดนะแค่ใช้คําประโยคนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดนะเราใช้คําถามเนี้ยไปเรื่อยๆในการแก้ปัญหาในชีวิตเรานะเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะเพราะอะไรไม่เพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนะเราก็พระพุทธเจ้าใคร่ควญอย่างเงี้ยใคร่ควรไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะก็พบออกมาได้ทั้งหมด11คู่ด้วยกัน ในสมมติคือไล่ไปก่อนนะไลต่ตัง้งแต่เอตัวพระองค์เองจะต้องตายนะจะต้องตายจะต้องเกิดจะต้องตายเนี่ยทำไมจะต้องแก่จะต้องตายไอย้ความแก่ความตายมีเพราะอะไรมีนะก็คืออะไรเพราะอะไรมีอะไรจึงมีนะก็ได้คําตอบว่าอ๋อเพราะการเกิดมีนะเพราะมีการเกิดจึงมีความแก่ความตายอันนี้ทุกคนคงเข้าใจเนะาะเจ้าค่ะเออทีนี้ไอ้เรื่องหลักการตรงนี้ทอนนั้นเองที่เราใช้หลักการนี้ต่อไปเรื่อยๆตอไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบห่วงโซ่แห่งทุก นะพอพบห่วงโซ่แห่งทุกข์แล้วเราดับที่ระดับห่วงโซ่แห่งทุกข์ตรงนี้ความทุกข์ของเราจะดับไปได้ <Okay. S 1> เรื่องตรงเนี้เป็นหลักการที่รพระเจ้าบอกว่าเป็นของที่ตายตัวอยู่แล้วนะต่อให้มีรพระเจ้าหรือไม่มีนะกฎนี้ก็เป็นกฎของมันโดยตัวโดยตรงตัวทีนี้พอเรามาพูดถึงปัญหาที่เราจะต้องการแก้ในชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นว่าเรามีความทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้คุณสอบไม่ผ่านนะหรือว่าคุณต้องการสอบผ่านหรือว่าต้องการ ที่จะทำอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งเนี่ยนะถามว่าถ้าคุณต้องการทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเนี่ยอะไรต้องเกิดขึ้นนะเราไล่ไปกันนั่นเองจนะต้องทําอะไรก่อนคุณจะได้ผลอย่างนั้นใช่หรื อ, อไม่ครับนี่นะคือเป็นลักษณะการวางแผนในการทํางานของเราด้วยเจ้ค่ะทีนี้สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยก็ต้องบัญญัติสิ่งที่ตรงจริงตลอดการใช่ไหมคือหลักการตรงนี้เราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ตลอดเรื่อยๆ ในทีนี้ในการบัญญัติธรรมะเนี่ยเพื่อให้มันได้ตรงจริงตลอดการเนี่ยพุทเจ้า ก, ก็จึงพูดถึงแก่นแท้ของธรรมะที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นก็คือพูดถึงเรื่องของความแก่ความตายทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องตายแน่นอนถ้าคุณยังมีเหตุของความแก่ความตายอยู่ซึ่งในที่นี้ก็คืออะไรล่ะทำไมเราต้องแก่ต้องตายล่ะก็เพราะมีการเกิดก็คือใช้หลักการที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น ที่ว่เรามีปัญหาในตอนนี้คือความแก่ความตายทุกคนจะต้องเจอความแก่ความตายอยู่เฉพาะหน้าไม่ช้าก็เร็วนะสักวันใดวันหนึ่งในอนาคตที่จะถึงนี้ะอาจจะช้าเร็วนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเจอความแก่ความตายนี่เราจะแก้ปัญหานี้ได้ไงอ๋อเรามาเข้าใจมันก่อนว่ามันเกิดมาจากอะไรลักษณะนี้จะเข้าใจมันก่อนว่ามันเกิดมาจากอะไรเราดูซิมันเกิดมาจากอะไรอ๋อมันเกิดมาจากการเกิดเพราะมีการเกิดจึงมีความแก่ความตายอันนี้เราเถียงไม่ได้เลยทุกค่ะ ถ้ามัเกิดมาก็คือไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายนะเจ้าคะ่ะเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้<ช>นะเจ้าค่ะคือบางคนคอาจจะเถียงว่าโอ้ความแก่ความตายนี่มาจากการที่าการทํางานของเซลล์เนี่ยมันเสื่อมถอยลงไปหรือว่ามีเพราะโรคนี้เราจึงตายมีโรคไฟขแเจ็บอะไรมากขึ้นเรา <Okay. S 2> สาวไปสาวไปสาวไปทําไมคุณตายนะคืออย่างที่เราเคยคุยกันในรายการที่ผ่านๆมาสมมุติหมอเขามาวินิจฉัยบอกว่าคุณนี้ตาย หนะมอคนแรบบก اؤ, นะแร บ, บอกว่าโอเพราะว่าเสียเลือดหมอคนแรกบอกว่าเพราะเสียเลือดหมออีกคนนึงมาดูบอกเอ้ามันไม่ใช่เพราะเสียเลือดนะเพราะว่ า, เ, าเขาเป็นแผลเขาจึงตายหมอคนที่สองมาดูบอกเอ้าก็เพราะเสียเลือดไงทาให้อา่าร่างกายไม่สามารถที่จะทํางานต่อไปได้นะพอหนักกฎหมายมาดูเกาบอกว่าเอา้าอันนี้เขามีเรื่องกันเขาไปชกต่อยกันมาเขาจึงตายนะพออายการมาดูอีกทีก็ให้แต่ละคนให้เหตุผลคนละอย่างหมดเลยนะคือแต่ละวิชาชีพเขาก็บอกสาเหตุของการตายไม่เหมือนกัน ทีนี้ถ้าเราสาวไปาสาวไปสาวไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพบว่ามันไปสุดที่การเกิดนะเพราะมีการเกิดจึงมีความแก่ความตายคุณคุณจะเข้าใจประเด็นนี้ใช่ไหมเข้าใจเจา้าค่ะอย่างคนที้เขามาประท้วงเนี่ยเขาก็บอกว่าเออที่คนของฉันตายนี่เพราะกแกไปสังฆ่าอย่างนี้นะก็จะไปโทษคนอื่นนะแต่ว่ามันมีการเกิดจึงหาถ้าเราสาวไปสาวไปเนี่ยเราจะพบว่าเออเพราะมีการเกิดจึงมีการตายนะทีนี้พอต่อไปอ่าเราเกิดนี่มันมาได้ไงอะไร ทำไม่ถึงจึงมีเกิดนะเราต้องการจะเข้าใจปัญหานี้ก่อนนะที่เราจะต้องเจอแล้นะพวพระเจ้าก็จึงทําการใคร้ควรวญคิดไปว่าทาไมเราเกิดมาได้ไงนะบางคนก็บอกเพราะพ่อพ่อแม่และมีพ่อมีแม่จึงมีการเกิดอันนี้แต่ละคนก็คิดกันไปนะทีนี้พระเจ้าจึงบอกว่าที่นี้บางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เกิดได้นะอย่างเทวดาบางพวกเนี่ย อ, อ, อ, อุบัติขึ้นมาเลยนะมีการจุดติขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีพ่อไม่ได้มีแม่หรือหรือสัตว์บางประเภท แล้วมันเกิดมาก็แบ่งตัวมาเลยเอามันไม่มีพ่อไม่มีแม่นะมันแบ่งตัวออกมาเลย<ช>นะ<ช>เพราะฉะนั้นจะ บ, บัญญัติตรงนี้ให้ธรรมะเนี่ยถูกต้องตรงจริงตลอดการเนี่ยพระเจ้าก็จึงพูดถึงภพนะภพเนี่ยคือสถานที่เกิดนะถ้ามันมีสถานที่ที่จะมันจะไปเกิดได้เนี่ยมันเกิดได้แ น, น่นอนนะด้วยเหตุปัจจัยอะไรทั้งหลายแหล่มันเกิดได้หมดนะเพราะไอ้ที่เกิดตรงนี้ที่เราจะใช้คําว่าภพภพนะมีรูปภพอ่ารูปภพการมาภพอะไรต่างนะเรามีภพคือสถานที่เกิดพอสัมภานพอพานนะ อันนี้คือพบนี่แปลว่าสถานที่เกิดอย่างสมมุติที่เราเข้าใจกันเนี่ยก็มีสัตว์เดรัจฉานก็เป็นพบพบหนึ่งใช่ไหมมนุษย์ก็เป็นพบพบหนึ่งนะพวกสัตว์เลื้อยคลานก็เป็นพบอีกพบหนึ่งสัตว์นรกก็เป็นพบอีกพบหนึ่งอย่างนี้เนื่อเพราะมีสถานที่ที่ให้ไปเกิดเหล่านั้นอยู่เนี่ยมันจึงไปเกิดได้<ช>ทีนี้ไอ้เจ้าสถานที่เกิดเนี่ยนี่คือเอากําลังสาวเข้าไปนะเพื่อที่จะรู้ว่าไอ้ความแก่ความตายของเราเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรกันแน่ที่เราจะต้องแก่จะต้องตายในอนาคตเนี่ยนะ ก็พออยู่ที่พบแล้วเอ้ยเราพบมันมาจากอะไรก็ทําความเข้าใจต่อไปได้พบภูริชาบอกว่าพบเนี่ยคือสถานที่เกิดเนี่ยมันมีมาเพราะว่าความยึดถือคืออุปาทานความยึดถือคืออุปาทานเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีพบอามันมีความยึดถือจึงมีพบจิตมันจึงไปก้าวลงในพบแล้วพอจิตก้าวลงในพบเนี่ยนั่นเรียกว่าการเกิดแล้วพอมีการเกิดทําให้จิตของเราเนี่ยมารู้สุกรู้ทุกข์มีความแก่ความตายแลเราเริ่มที่จิตของเราก่อนคุณเตือนใจ คือหมายความว่าเราจะรับรู้สุขหรือรู้ทุกได้เนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราถูกไหมบางทีคนคนเขาพูดดีๆกับเราเรายังเป็นทุกข์ก็มีนะมันอยู่ที่จิตของเราทั้งหมดเลยนะที่จิตของเราเป็นทุกข์เป็นร้อนเกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจิตของเรามันมีมาการเกิดมันมีการมาเกิดในในในตัวตนของเรานี้นะเราก็สาวเขาไปว่าเออจิตมันมีการมาเกิดนั่นเพราะว่าจิตมันมีภพจิตมันมีไปสร้างภพจิตมันไปสร้างภพเพราะว่ามันจิตมันมีการยึดถือนะที่จิตมีการยึดถือนั้นเนี่ย ก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีตัณหานะพอมีตัณหาขึ้นในจิตเนี่ยจิตจะมีการยึดถือนะตัณหานี่ก็คือความอยากนะความทยานอยากในการทยานอยากในความความมีนะความมีความเป็นความไม่มีความไม่เป็นนะอันนี้เป็นตัณหาคือความอยากจิตมีตัณหาจิตก็จะไปสร้างภพเอ๊ะทีนี้ทำไมจิตมามีตัณหาได้ไงอะโนพะระพุทธเจ้าก็เลยมาพิจารณาต่อพบว่า อ้าวที่จิตมันมามีตัณหาเนี่ยเพราะว่าจิตมันมามีความรู้สึกนะมีความรู้สึกชอบบ้างมีความรู้สึกไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างนี้คือที่เรามามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตเนี่ยนะบางทีเราได้ฟังเสียงก็มีความสุขเสียงดนตรีเราชอบเราก็มีความสุขและเสียงคนด่าเราก็มีความทุกข์นะที่เรามีสุขมีทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็สาวต่อไปอีกนะก็เพราะว่ามันมีผัสสะนะจิตเนี่ยมีผัสสะมีการสัมผัส ตาหูจมูกลิ้นกายใจในจิตเราเข้าไปรู้หมดเลยนะเห็นภาพดูทีวีไปดูหนังผ่านทางตาละนะฟังเสียงโทรศัพท์คุยกันเสียงวิทยุผ่านทางหูละกินอาหารมีรสชาติผ่านทางลิ้นละนิ่จิตพวกนี้จิตเราเข้าไปรับรู้ทั้งสิ้นเลยนะอันนี้เรากําลังดูเป็นทีละคู่นะซึ่งคู่กับจิตใช่ไหมคือเราไล่มาตั้งแต่จิตเนี่ยมีความสุขความทุกข์จิตมีความทุกข์ใช่ไหมเพราะจิตมีการเกิดในจิตมีการเกิดเพราะจิตมันไปก้าวลงในภพที่จิตไปก้าวลงในภพเนี่ยเพราะจิตมันมี อุปทานคือความยึดถือที่จิตไปยึดถือเพราะจิตมีตัณหาจิตมีตัณหาเนี่ยเพราะจิตมีความรู้สึกคือเบทนาที่จิตไปมีความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าจิตมันมีผัสสะนะเรามาอยู่ตรงนี้นี่เป็นคู่คู่มาคู่คูมานะทีะะนี้จิตของเราทำไมมันไปมีผัสสะเราไปเดินใจก็เพราะว่าจิตไปมีผัสสะเนี่ยเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นจิตมันมีกายมันมีกายและจิตนะจิตมีกายและจิตตรงนี้ก็คือนามรูปนั่นเองนะจิตของเราเนี่ยไปมีนามรูปนะไปยึดไปมีนามรูป ที่จิตก็เรามีนามรูปเนี่ยเพราะว่าจิตของเราเข้าไปรับรู้ในนามรูปนี้เพราะว่าจิตเนี่ยมีวิญญาณจิตจึงมีนามรูปน้ํารูปมีเนี่ยเพราะว่าจิตเนี่ยมีวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันต้องทําความเข้าใจตรงนี้นหลายๆคนไปเข้าใจเรื่องวิญญาณนะว่าเป็นตัวลอยๆไม่มีขาเขาขาวแล้วก็ลอยไปลอยมาอันนี้ไม่ใช่พูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นผีนะว่เป็นผีเป็จิตวิญญาณอันนี้ไม่ใช่ที่ที่เราเข้าใจกันแต่วิญญาณเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเป็นคําพ้องรูปพ้องเสียงกับสิ่งที่เราเข้าใจนะ คําพ้องรูปพ้องเสียงแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าวิญญาณที่พระเจ้าหมายถึงเนี่ยคือการรับรู้นาฬกาที่เราไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณแล้วนะอย่างท่านผู้ฟังมารับรู้เสียงในการพิธีวิวเนี่ยโอ้ท่านผู้ฟังจิตของท่านผู้ฟังมีวิญญาณในเสียงเนีพูดงี้จิตของท่านผู้ฟังมีวิญญาณในเสียงคือมีการรับรู้ในเสียงนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไปมีการยึดถือในเจ้านามรูปกายและใจนะทําให้จิตเนี่ย ไปทําหน้าที่รับรู้ได้คำว่าวิญญาณเนี่ยคือการทําหน้าที่รับรู้นะเพราะว่าจิตไปทําหน้าที่รับรู้จิตจึงไปมีนามรูปเพราะจิตมีนามรูปแล้วจิตจึงมีภาษาละใช่ไหมพะจิตมีภาษะไปออกทางตาหูจมูกนิ้วกระจายได้มันก็ไปทุกวเลยมีความรู้สึกมีความยืดมีความเกิดมีความเจ็บปวดอะไรต่างๆตามมาเป็นพรวนเนี่ยพระพุจ้าเวทนานั่นเองใช่มีความทุกเวทนามีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเต็มไปหมด และนี่คือการทำงานที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะถ้าจิตของเราไปมีการรับรู้นะจิตก็จะไปรับรู้อะไรได้บ้างก็คือกแก้กายแก้ใจคือนำรูปเท่านั้นเองนะเพราะจิตไปรับรู้นี่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะจิตของเราเนี่ยไปมีการรับรู้นะจิตจึงไปมีการรับรู้ในกายและใจนะเพราะจิตมีการรับรู้ในกายและใจมันก็ไปออกทางภาษาได้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะออกทางภาษาหกทางได้นะมันจึงมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของเราสุขบ้างทุกบ้างอย่างนี้ พอมีจิตมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างแล้วไงนะจิตจึงมีตันหาบางทีอยากบางทีไม่อยากแนะพอมีตันหาอย่างนี้แล้วจิตจึงมีความยึดถือไอ้ที่อยากได้ก็ยึดว่าเป็นของฉันไอ้ที่ไม่อยากได้ก็ผลักใส่ไล่ส่งออกไปแนะพอมีความยึดตรงนี้นี่แหละจิตคือจึงมีการสร้างภพสร้างชาติเกิดขึ้นมีการสร้างภพมีการเกิดก้าวลงทําให้มีความทุกข์ความสุขอะไรต่างตามมาเป็นปรวนนั่นนี่เกิดขึ้นที่จิตทั้งหมดพระเจ้าพิจารณาใครควรสาวไปสาวใบเนี่ย เพื่อที่จะคิดหากระบวนการว่าเอ๊ะมันปัญหามันเกิดอย่างนี้แล้วมันจะแก้ยังไงนะเพื่อที่จะรู้เหตุปัจจัยของเขาซะก่อนนะทีนี้บางนัยยะในะผู้ชอบแสดงทําให้ฟังเนี่ยบางนัยยะก็ไล่สายต่อไปอีกนะว่าพอไปถึงเรื่องของจิตเนี่ยมีการรับรู้เนี่ยก็มาพิจารณาต่อว่าเอ๊ะทำไมจิตของฉันถึงมีการรับรู้ได้จิตของท่านผู้ฟังจิตของพระพุทธเจ้าจิตของใครต่อใครก็ตามเนี่ยก็ทำงานเหมือนกันนะจิตเนี่ยมันไปทําหน้าที่รับรู้เนี่ยเพราะอะไร และเพราะว่าจิตมันมีการปรุงแต่งนะจิตของเราเนี่ยมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดอเวลาจิตมันจึงไปทําหน้าที่รับรู้ได้การปรุงแต่งอย่างเช่นอะไรสมมติเรารับรู้เสียงแล้วนะเราก็ปรุงแต่งตอบว่าโอโ้คนนี้ต้องคิดอย่างนี้แน่นอนเลยมันต้องเกลียดฉันแน่ๆหรืออะไรมันก็ต้องมีการคิดรับหลังฉันแต่มันคิดคปรุงแต่งไปแล้วนะการคิดปรุงแต่งตรงนี้แหละเป็นเหตุทําให้จิตไปทําหน้าที่รับรู้อไอ้ที่ปรุงแต่งเนี่ยทำไมจิตถึงไปมีการปรุงแต่งบุญเจ้าก็คิดต่อไปอีกแนะล้วการปรุงแต่งนี้เกิดเพราะอะไร นะพระเจ้าก็ได้คําตอบว่าอ๋อไอ้ที่การปรุงแต่งเนี่ยเกิดเพราะว่าอาวิชานะเพราะว่าจิตเนี่ยไม่รู้ว่าไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้จิตมันจึงไปปรุงแต่ ง, งอืมคนะุาคะคำนี้ฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะจิตเนี่ยไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นะเราจึงไปปรุงแต่งนะไอ้ความไม่รู้ว่าเราจะต้องปรุงแต่งก็ได้เนี่ยนั่นคืออวิชชาพระพุทา พ, พูดถึงอริยสัจสนะคือคุณไม่รู้ในอริยสัจสีเนี่ยคุณจึงต้องมีการปรุงแต่ง นะเพราะว่าอริยสัจสรู้ไปเนี่ยเพื่อไปถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ใช่ไหมท <Okay. S 1> ีนี้พอเรายังไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เราไม่ต้องคิดต่อก็ได้เราอยู่เฉยๆก็ได้อย่างเงี้ยทําให้จิตเราไม่รู้ตรงนี้เราดันไปปรุงแต่งต่อทําให้เป็นเรื่องประด า, าเกิดขึ้นมาแล้วนะ <Okay. S 1> อย่างเวลาเขาด่าเราอย่างเงี้ยเอะเราก็อยู่เฉยๆก็ได้หนิเราก็ไม่สนใจก็ได้นี่บางคนไม่รู้นะคุณตนใจยังต้องส่วนเขากลับยังต้องด่าเขากลับนัน mm hmm. มั น, ม น, มน <Okay. S 1> เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไอ้เรื่องของกดตรงนี้ค่ะอืม แล้วอริยสัจสี่นี่ก็คื อ, อทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมเจ้าคะใช่ใชทุกต้นเหตุแห่งทุกการดับไอของทุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่เจ้าคะทีนี้ในแต่ละอาการของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนี่คือเราพูดถึงทั้งหมด1ิบเอาการแล้วนะ<ช>ของปฏิจจสมุปบาทไล่ไปตั้งแต่อันที่หนึ่งคืออวิชชาใช่ไหมจิตเนี่ยมีอวิชชาแล้วจิตจึงไปมีการปรุงแต่งการปรุงแต่งในอันที่สองนะ อจิตมีการปรุงแต่งเนี่ยทําให้จิตเนี่ยไปทําหน้าที่รับรู้การรับรู้เป็นอันที่สามนะ <Okay. S 1> พอจิตมีการรับรู้เนี่ยทําให้จิตเนี่ยไปก้าวลงในนามรูปนามรูปนี้เป็นอันที่สี่นะ <Okay. S 1> พอจิตก้าวลงในนามรูปเนี่ยทําให้จิตเนี่ยมีทางออกในทางออกที่เป็นอเยตนะภายในภายนอกตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าสลายอเยตนะอั น, นนี้อันที่ห้านะ <Okay. S 1> พอจิตมีการมีทางออกเนีคือสลายอเตนะที่เป็นอเยตนะภายในภายนอกเนี่ยจิตเนี่ยจึงมีภาษาเกิดขึ้นภาษาคือการกระทบใช่ไหมมี ตาไปเห็นรูปมีจีเข้าไปรับรู้นะจึงมีการกระทบการกระทบคือผัสสะตรงนี้เป็นอันที่6แล้วนะที่จิตมีผัสสะเนี่ยทำให้จิตเนี่ยไปมีเวทนาคือความรู้สึกนะความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างเฉยๆบ้างนะความรู้สึกตรงนี้เกิดขึ้นที่จิตนี้เป็นอย่างที่7แล้วนะ <Okay. S 1> พะจิตมีความรู้สึกตรงนี้เนี่ยทำให้จิตเนี่ยไปมีตัณหานะตัณหาเกิดขึ้นในจิตละเริ่มเหนียวละเริ่มยืดละเริ่มหนื่อละเริ่มติดกันติดพันธุ์และเหมือนกาวดักหนูแล้วนะ อันนี้อันที่แปตระหนักเป็นอันที่แปดแล้วนะตระหนก็คืออยากมีอยากเป็นใช่ไหมเจ้าคะใช่อยาก <Okay. S 1> อยากในกามันนี่อันที่หนึ่งความอยากเป็นอะไรก็ความที่อยากอยากออไม่อยากเป็นนะอยากที่จะไม่เป็นกัอยากที่เป็นก็เหมือนกันนะอันนี้อันที่7คือตระหนพกพอจิตเริ่มมีความหนืดมีความเหนียวมีตระหนารัดรึงแล้วนะจิตจึงมีความยึดถือความยึดถือตรงนี้เป็นอุปทานเป็นอย่างที่แปที่เกิดขึ้นในจิต เนะพราะจิตเรามีความยึดถือมีอุปทานเกิดขึ้นเนี่ยจิตจึงไปก้าวลงสู่ภพนะจึงมีภพจะก้าวลงสู่ภพละอันที่อันที่สิ<ไ> 10, นะบภพนี่คืออันที่10บพราะจิตมีภพเนี่ยจะไปเกิดแล้วเนี่ยจึงมีการเกิดการเกิดนี้เกิ อ, อันที่11บเอ็พอมีการเกิดแล้วเนี่ยทำให้ทำให้อะไรเกิดขึ้นนะอันที่12ตามมาก็คือจิตนี่ก็จะมีความโศกความรับนัยนำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคลับงแกนใจทั้งหลายจึงตามมาเป็นปรวนนะทั้งหมด12บคู่ หน้า <Okay. S 1> ที่ที่คู่กับจิตทั้งหมดสิบสอคู่มันไล่กันมาอย่างนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> จิตของเราเนี่ยมันบุบบับบุบวับ บ, บุอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา <Okay. S 1> นันไล่มาเลยตั้งแต่เช้าตื่นมาปุ๊บเออฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องไม่ปรุงแต่งก็ได้ก็ไปปรุงแต่งเจออะไรกับปรุงแต่งอันนี้กับปรุงแต่งไปนุ่นเลยทําให้มีความทุกข์บ้างมีความสุขบ้าง <Okay. S 1> เกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดเวลา <Okay. S 1> อ่าทีนี้ที่อธิบายมาตรงเนี้ยอพระเจ้าคิดค้นมาตั้งแต่ก่อ น, อนตรัสรู้แล้วด้วยซ้ํา คิดคนมาตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แล้วด้วยซ้ําว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรทําไมเราต้องแก่เอาแก่เพราะมีการเกิดเกิดมาเพราะอะไรตัณหามาจากอะไรภาษามาจากอะไรไล่ไปไล่ไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้ารู้มาตั้งแต่ก่อนตรัสรู้แล้วนะตั้งแต่ตอนที่ทําความเพียรแบบอดอาหารจนต้องกิ่วอนะ ซ, ซึ่ ง, ซ, งซึ่งทําให้เราพบว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ารู้มาตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้ นะแล้วไอ้ความแตกต่างกันตอนที่หลังจากตรัสรู้แล้วกับความรู้ก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะมันก็ต่างกันตรงที่ว่าพระเจ้าเนี่ยละอวิชาได้นะในคืนวันที่ตรัสรู้นั่นเอง ค, คือก่อนนั้นเนี่ยรู้อยู่แต่ว่ายังมีการปรุงแต่งอยู่นะยังมีการที่ è, มีการที่ยังมีอวิชายอยู่แต่ยังละไม่ได้แต่ยังละตรงนั้นไม่ได้จนกระทั่งมาถึงวันที่ตรัสรู้เนี่ยจึงละสิ่งเหล่านั้นได้ใช่ค่ะทีนี้พอหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ย บางทีผู้เช่าของเราเนี่ยนะก็เอาเรื่องอปฏิจจสมุปาทเนี่ยมาคิดไข้ครวนอยู่ซ้ำไปซ้ำมาใคร่ครวนอยู่เรื่อยๆไข้ครวนอยู่เรื่อยๆนะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนะจริงๆเรื่องนี้สามารถอธิบายการทํางานต่างๆของจิตของเราได้อย่างอย่างดีทีเดียวค่ะ <Okay. S 1> นะอย่างเช่นมากอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงว่าเราไปห้างสินค้าใช่ไหม <Okay. S 1> เราเห็นของอย่างเงี้ยใครเห็นจิตเราเข้าไปเห็นนะจิตเรารับรู้นะ แสดงว่าจิตที่เรารับรู้นี่คือภาษานะ <Okay. S 1> จิตมีภาษาแล้วจิตจึงมีอะไรจิตจึงมีความรู้สึกนะความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิตของเราว่าเราชอบเราเราเราไม่ชอบเรากินอาหารร้านนี้เราชอบหรือเราไม่ชอบนะพอมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นที่จิตนะจิตจึงมีความอยากนะสั่งต่อจานที่2นะไม่พออาจานที่3อย่างนี้เป็นตน้นเจ้าค่ะพอจิตมีความอยากแล้วจิตจึงมีความยึดแน่นอนเลยชันแต่ข้าวหน้ามากินอีกนะเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาด้วยนะขอคู่ <Okay. S 1> ปองก็กลับไปขอส่วนลดอะไรต่าง นะมีความยึดมีความเกิดล้วมันจึงมีปัญหาต่างๆตามมาเป็นพรวนและความอ้วนความเป็นโรคอะไรต่างๆเพียบพร้อมตามมาหมด <Okay. S 1> มันเกิดขึ้นตลอดเวลาท่านผู้ฟังแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจนะเราต้องเข้าใจนี่ น, นี่ที่พูดถึงมาเนี่ยนะคือเรื่องของการเกิดทั้งนั้นปัญหาเกิดนะนี่เรายังไม่ได้พูดถึงความดับของปัญหาเลยอ <Okay. S 1> ว่าวิธีการที่แก้ไขก็มีอยู่นะคือไอ้เจ้าอริสสี่เนี่ยเป็นทั้งการแสดงถึง เหตุของการเกิดปัญหานังเกือที่เราพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยนี่เป็นปัญหาของการทีเ่เรามีความเกิดความแก่ความตายพวกนี้ตามมาเป็นพรวนเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวอวิชชาและเราไล่ไปไล่ไปเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการที่จิตของเราเนี่ยยังไม่มีความรู้ยังมีความไม่รู้ที่จะต้องไม่ปรุงแต่งก็ได้นะทีนี้ในในเรื่องนี้เนี่ยถามว่าเข้าใจแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเข้าใจแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในเรื่องของสายเกิดก่อนนะ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ที่สามารถพระสัธรรมเนี่ยสามารถตั้งอยู่ในนานพนะระพุทธเจ้าเคยบอกพระสารีบุตรนะบอกว่าพระสารีบุตรหรือพระราหุล น, นี่แหละนะบอกว่าเพราะว่าเหตุที่มีการทําการสังคีติในเรื่องปฏิจสมุบาทอยู่บ่อยๆเนี่ยสังคีติเนี่ยหมายความว่ามาไข้ครวญมาสอบถามทวนกันมาสังขยาณามาทบทวนกันบ่อยๆ นะเรื่องปฏิจจสมุปาทเนี่ยจะทําให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานนี่การนี้ที่เรากำลังทําเนี่ยจะทําให้เป็นเหตุทำให้พระสทัทธรรมตั้งอยู่ได้นานนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแก่นจริงๆเป็นเรื่องที่พยายามที่จะทําความเข้าใจให้ดีแล้วจะทําให้ความเข้าใจแตกษาในธรรมะของเราดีขึ้นมาได้ค่ะค แล้วคําว่าพระสัตยธรรมนี้ก็คือคําสั่งสอนที่พระเถรอได้ทรงตรัสรู้เห็นชอบด้วยพระองค์เองใช่ไหมเจ้าคะใชู่แจ้งเห็นจรงิรงโดยพระองค์เองอ่าคือธรรมะนี่แหละคือธรรมะนี่แหละก็คือธรรมะของพระองค์ท่านนะเจ้าคะเจ้าคะแล้วตรงนี้เนี่ยพอเรามารู้ว่ารู้สายเกิดแล้วนะรู้ถึงระบบของการเกิดแห่งความทุกข์ของเราเนี่ย เ, เราก็รู้แล้วว่าอ๋อไอ้ที่เรามีปัญหามีความทุกข์เนี่ยเพราะอะไรมาเกิดว่ามีอะไรมาก่อน แล้วนะเราก็จะค่อยๆแก้ความทุกข์ตรงนี้ไปได้นะที่พุทธเจ้าไล่กลับนะก็คือเราจะทํายังไงให้ความแก่ความตายของเราเนี่ยสิ้นไปได้แตนะ่ก็ต้องทําให้จิตเนี่ยอย่าไปเกิดนะพูดถึงเรื่องการเกิดนี้นิดนึงนะคุณเตือนใจจะได้เป็นการสรุปประเด็นตรงนี้ด้วยโอเนะว่าจิตที่ไปเกิดเนี่ยก็อย่างง่ายๆสมมติเราซื้อรถมาใหม่นะพอเราซื้อรถมาใหม่เนี่ยจิตของเราเนี่ยไปก้าวลงยึดถือรถนี้เป็นความเป็นตัวตนของเราเป็นของเรานั่นแหละคือจิตคุณไปเกิดในรถแล้ว เราซื้อโทรศัพท์มาใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมโทรศัพท์ตอนที่มันอยู่ที่ร้านเนี่ยเรายังจิตของเรายังไม่ไปเกิดในโทรศัพท์นะจนกระทั่งมาอยู่ในมือเราเงินผ่านมือเขาไปแล้วส่ายเขาไปแล้วอ่จิตของเราเนี่ยก็มายึดถือไอ้เจ้าโทรศัพท์นี้โดยความเป็นของเรานั่นแหละคือจิตเราไปเกิดแล้วอจิตเราไปเกิดในโทรศัพท์แล้วไปเกิดก็คือเหมือนไปมีจิตผูกพันมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของอันเนี้ยใช่เป็นของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะอย่างคุณเดนใจลองจับแขนดูนี่แขนใครเอาแขนฉันนี่ แขนฉันเองเอา this เป็นของฉันนะนี่ออกอไหมอันนี้มันตัวฉันอย่างเงี้ยนะเราจับโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเอา this โทรศัพท์ใครเอามันโทรศัพท์ฉันนี่นี่แหละนี่แหละคือการเกิดอืมคือเข้าไปยึดถือนะสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเราของเรามีบ้านฉันรถฉันเพื่อนฉันผัวฉันเมียฉันความรู้ของฉันตำแหน่งฉันมีแต่ของฉันของฉันของฉันแล้วก็ของฉัน อย่างเงี้ยอันนี้คือจิตเราเข้าไปเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดในสิ่งนั้นเกิดในสิ่งนี้เต็มไปหมดเลยอืมเจ้าค่ะอืมไม่ใช่เฉพาะตัวเราเคลอดออกมาจากคันแม่นี้เรียกว่าเกิดอย่างเดียวนะเราเข้าไปเกิดในสิ่งไหนก็มีทั้งนั้นเลยนะอืมเจ้าค่ะอืมแล้วการที่เราเข้าไปยึดถือในสิ่งไหนนั่นแหะคือจิตของเราเข้าไปเกิดในสิ่งนั้นแล้วยึดถือด้วยความเป็นตัวตนทันทีอืมเจ้ค่ะแล้วพอเมื่อไหร่เราเราคลายไปเออไม่อร่าชันจนทิ้งสมุติเงินในกระเป๋าเราเนี่ย นะเงินนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วนั่นแหละคือจิตเราตายแล้วนะตายจากเงินตรงนั้นแล้วอืเจ ค, คือหมดสิ้นความผูกพันหมดสิ้นความที่ยึดถือว่าเป็นของเราใช่ไหมถูกต้องตรงนั้นคื อ, อ, อ ค, ความตายเกิดขึ้นแล้วนะบางทีปัญหาก็คือว่าเออเราไม่ยงังยังไม่ต้องการตายแต่มันมันหายไปจากเราอย่างเงี้ยบางทีเงินหายเรายังยึดถือในเงินนั้นอยู่เลยแต่เงินไม่อยู่หน้าเราแล้วอย่างเงี้ยก็จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นนะเพราะว่าเราเรายังเป็นคิดว่าเงินเป็นของเราอยู่แต่เงินมันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยนะ จึงมีมมความตายเกิดขึ้นจึงมีความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นมีความร่าไรรําพันใช่ใช่เจ้าค่ะตรงตรงนี้ถ้าเราเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยไปเกิดอยู่ทุกขณะจิตเลยนะเราจะคอยระวังไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปเกิดในสิ่งไหนๆละ่ะเพราะมันจะเป็นทุกข์นะค่ะอันนี้ก็คงจะสอดคล้องกับที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าทุกอย่างในโลกนี้นั้นเนี่ย ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วก็คล้ายๆว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมคะใช่อ๋อจะวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อย ๆ, ๆเลยอืมใช่ชค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของการเกิดตรงนี้เนี่ยถ้าเราระวังนะว่าจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปก้าวลงให้เป็นยึดถือในสิ่งไหนให้เป็นการเกิดเนี่ยนะเ ร, เราก็จะสามารถที่จะคลายความทุกข์ตรงนี้ไปได้การเกิดตรงนี้นะโทรศัพท์มือถือเราซื้อใหมๆๆ่ๆนะของเพื่อนตกแตกของเราตกของเราไม่ตก เราไม่รู้สึกอะไรในของเพื่อนเลยสมน้ำหน้ามันด้วยซ้ําเพราะมันไม่เราระวังแต่นะเพราะว่า จ, จิตของเราเนี่ยไม่ได้ไปเกิดในโทรศัพท์ของเพื่อ น, นะนแต่ จ, จิตของเรามาเกิดในโทรศัพท์ของเรานะทําให้ของเราถ้าตกแตกหรือมีรอยขวดนิดนึงเราจะจี้ขึ้นมาทันทีตรงนี้เราจึงต้องระวังจิตของเราให้มากนะซึ่งคิดว่าในคราวต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้จะดับสายดับเนี่ยมันคืออะไรในวันพรุ่งนี้เราจะพูดกันได้อยู่ วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะเจ้าคะก็คงจะต้องขออนุญาตที่จะเจรยนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคะ่ะที่เป็นแฟนประจําของรายการธรรมารับอรุณได้ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบูญยอภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเป็นอาจารย์พระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษของวัดป่าดอนไหโซ ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอไหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะสําหรับในช้าวันนี้ก็คงจะต้องฝากแง่คิดท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวัวนอาทิตย์เรากลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะเริ่มตั้งแต่เวลาตีห้าหลังจากเปิดสถานีค่ะจะมีเรื่องราวรายละเอียดตอนนี้ย้อนกลับแล้วล่ะค่ะว่าจะไม่ให้เกิดอย่างนี้ไม่ยึดไม่ถืออะไรต่างๆนั่นเนี่ย จะทำอย่างไรจะมีทางแก้อย่างไรตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ตามกฎที่เรียกว่าเป็นเหมือนแก่นคําสอนของพระพุทธองค์ปฏิจจสมุปาทคะ่ะสําหรับชาวันนี้เรากล่าบขอบพระคุณและกลา่าวนมรสการลาพระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโนพร้อมกันนะคะกลา่าวนมรดการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ